หลั <c oughs> งตรกันเนาะเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่ขณะ น, นี้เป็นงานไม่ใช่เราอยู่เฉย อย่าเสียเวลากับการเวลาเสียเวลาชิดไปข้างหน้าเสียเวลาชิดเกินข้างหลังพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปัจจุบันวิชากรรมฐานทำให้เราได้อโอกาสได้จูบ ก, กับปัจจุบันความริง คืออย่างนี้ชีวิตของเราปัจจุบันเป็นถึงที่ลิขิตชีวิตของเราจะไปทางทิศไหนได้คิตไปข้างหน้าชคิตเกินข้างหลังลิขิตชีวิตเม็ได้มีเถิเปิดเพื่อนกับจิตวิญญาณเราเนี่ชีวิตเรานี่ ไม่ควรประบาทมีศัตรูข้าศึกมีภพยอยู่มีนี่ก็ว่าได้บางทีผู <c oughs> ้มีบุญคนต่อเราเยอะแยะคุณพ่อคุณแม่คุณข้าวคุณน้ำคุณ อะไงต่างๆคนอื่นบ้างที่เราเยได้เห็นได้ถูกเขาช่วยเหลือถูกได้ยินได้ฟังแล้วก็เผื่อคนอื่นที่ช่วยเหลือเราการเผื่อคนอื่นตอบแทนคนอื่นคือเราต้องทำความดี เราต้องทำความดีความดีที่จะเป็นสิ่งตอบแทนได้คือบุญคือกุศลคือมรรคผลนิพพานมันเป็นสมบัติของชีวิตถ้ามีบุญมีมกุศลมรรคผลนิพพานก็ทำให้พ้นทุกข์ ค้นไผ่ได้ไม่มีไผ่ได้ปาทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้อาศัยเราก็มีรูปมีนามมีกายมีใจยังใช้รูปใช้นามใช้กายใช้ใจนี้ให้เป็นประโยชน์ในด้านทวารต่างๆได้ทำดีได้ทุกโอกาส เราความช่วโดยทุกโอกาสก็จะเยียวยาศัตรูข้าจึกภัยทั้งหลายได้หรือว่าเราให้ถือว่าเป็นอุติช่วยโลกก็ว่าได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเรามีสติติกํลาลังมีสติดูแลางกายใจอยู่นี่จนกําเนิดเกิดความดีความโชคคือกายคือใจคือรูปคือดามนี่เราจับหลักนี้อยู่เสมอเลย์นี้ลูกหญิงลูกชายของพ่อของแม่กํลาลังทําดีปัญญาสามีของ กำลังทำดีลูกหลานกำลังทําดีเพื่อนมิกกำลังทําดีอยู่ขอให้อุ่นใจเถอะกายข้าก่าอางนั้นเราเดินจงกรมอยู่เผื่อพ่อเผืแม่เราเดินสร้างจังหวะอยู่เพื่อพูให้ถานให้ก็าปาหานเราให้ที่ห่วฉ่ อ, อยให้เครื่องนุ่งหม่มเจอเรา เห็นอยู่จนเต็มไปหมดเลยนีคนที่ช่วยเหลือเราดินฟ้าอากาศก็ช่วยเหลือเราสัมมาชากิวณิล้อมช่วยเหลือเราแม่มาใช่คนอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่นี่โลกก็ยังช่วยเหลือเราอยู่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ช่วยเหลือเรา แต่ถ้าเราไม่ตอบแทนธรรมชาติแล้วก็อยู่ไม่ได้โลกก็อยู่ไม่ได้เราเป็นสวนหนึ่งที่จะช่วยโลกก็ว่าได้หัวห้าเนี้ฉบนี้วไว้ช่วยโลกจากรูปจากนามนี้แสดงออกร่างกายก็แสดงออกในทางควมถูกต้องชอบทรม ทางใจก็จะดลงออกในะความถูกท่องชอบทำทางวาจาทางทาวารต่างๆอมาจ่าให้เกิดประโยชน์เราจะคุ้มกับนี่สินมันไม่ทอถอยคิดชั่วไม่ได้พูดชั่วไม่ได้ทำชั่วไม่ได้มีผู้สนบสนุนหนึหงเราทาความดีทุกโอกาส ผู้มีพ่อมีแม่นั่งอยู่ น, นันนอนอยู่ น, นั่นเจอเท่าแล้วก็มีหลังสู่ผ้าหน้าสู่ดินอยู่ยังลำบากอยู่ยก็ใดคิดถึงว่าลูกจิงลูกชายของท่านมาปฏิบัติธรรมก็ทำว่าท่านซื่ในใจบ้าง ยินข่าวลูกเป็นคนดีได้ยินข่าวสามีเป็นคนดีได้ยินข่าวสาอาจารย์เป็นคนดีจะยินข่าวพ่อแม่เป็นคนดีพี่น้องเป็นคนดีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นส่วนบุญที่เกิดกับกิจวิญญาณของผู้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วแล้วมีกองเงินกองทองฝากไปให้ก็ไม่มีประโยชน์ วันนี้เราจึงมาทำความดีแม่ไม่มีใครเห็นเหตุเวลาก็เห็นสักจริงทั้งหลายก็เห็นในโลกคนทำความดีอย่างหาฉนุกลอยน้นกางทะเลยต่มาจึงลอยอยู่เช่นนั้น เพื่อนเขาโจมหมดทำไมมหาชนกจงไม่ต้องโจมกับเขาเพราะว่าคิดถึงแม่ที่ให้เงินมาค้าขายแม่ให้เงินมาค้าขายลงไปตาเรือสำเภาไปค้าขายกับเพื่อนแต่เรือล่มซะก่อนคิดถึงเงินของแม่ที่ให้มาก็าไม่ปล่อยตัวเองที่จมลงไปง่ายก็แวกวว้ก็อยู่เช่นนั้น แหวกไหวอยู่เช่นนั้นก็มีเทวดาที่จริงๆก็มาช่วยได้เม่คลาเห็นแล้วก็ถ้าไม่ช่วยคนดีพวกที่เทวดาเทวธรรมทั้งหลายก็หัวแตกเป็นเจ็ดเฉียงต้องมาช่วยคนดีมันก็ไม่ปล่อยกันที่งได้ เพราะฉะนั้นเราทำดีอยู่นี่มีสติอยู่นี่แล้วก็เรียนตัวเราเองติเตือนตัวเราเองโดยสินนด้อยหรือไม่อยู่ทุกโอกาสอะไรผิดนิดหน่อยเรารูเราแกา้ไขมีสตเเิเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจอยู่ จะเกิดขึ้นยังไงมาอะไรจะมาก็มาจะได้แก้ให้เป็นเรื่องดีเรื่องร้ายจะเป็นเรื่องดีเรื่องผิดจะให้เป็นเรื่องถูกไม่ปล่อยดิ้งไม่ดื้อด้านอยากเข็นความชั่วที่เกิดกับกายกับใจบางคนก็เห็นแต่ทอดเถอเห็นความเบือ่อก็เบื่อไปนั่นไม่ใช่สู้ นักแก้ไขาต้องแจต้องสู้บางคนเกิดพอม่วงเกิดขึ้นก็จะงม่วงอยู่ไม่แก้ น, นั่นก็เรียกว่าไ ม, ไม่ไ่ด้ตอบบุญแทนคนข้าวุขน้ำแกงเขาอยากได้บุญกันเราสอทุกยินดีที่เป็นนักปวดยินดีที่นักปฏิบัติธรรม ใส่ก็อข้าวใส่บาก็สาธุกยกมือท่วมหมัวผมให้มาออกมาใช้เลี้ยงเราให้มาขี้เกียจขี้ข้ามมานอนตอบควมดีตอบแทนเราเราจึงไม่มีใครเห็นตัวเราอยาอาลืมว่าไม่มีใครเห็นตัวเรามีส่วนรู้เห็นมีส่วนที่เป็นประโยชน์เป็นโทษได้อยู่ก็เรามาแจ้งความชั่วที่เกิดขึ้นกับเรา คนที่ทำกับเราช่วยให้ความดีกับเรามันจะคุ้มค่าเขาจึงหวังว่าเราเนี่เป็นเนื้อนาวุญของโลกโอทวายอย่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ชงลาบเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อความฉุสแต่ข้าพเจ้าต้งหล่อแต่ญาติของข้าพเจ้าต้งหลอยมีบิบามารดาเป็นต้น เพื่อประโยชน์เพื่อกลุ่เราเนี่ยคือประเภทไหนอยู่แค่ไหนเพียงไรนี่วนมีกุศลมีมรึกไปผลพอที่จะอุทิศให้ได้มไหมกดน้ำก็ต้อตงน้ย เราต่างๆเราตรวจน้าหมดเลยเในใจนี่น้ำใจมีเรามีน้ำใจงั่นใจจึงแสดงจึงว่าออกไปเออเมตตาเรามีน้ำใจดีมั่นใจในคุณธรรมดีจึงว่าจึงผากออกไป ก็เป็นการล้างเป็นการช่วยบางคนก็ช่วยเหลือเราบุตรทิศถามพ่อหาแม่ให้หลวงพ่อได้ส่วนหน้าบุตรทิศแผเมตตาให้ด้วยแล้วก็ทอมมตใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ ที่มีทุกข์อยพ้นจากทุกข์ที่มีสุขคอยมีสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีมีทุกข์เราก็เจ้าทุกข์ได้อย่างนี้ก็ก็ถือว่าไม่เป็นหนี้มีความดีบอกสุนบอกทานบอกบุญบอกมรรคบอกผลได้ เรามีชีวิตอยู่ที่ได้มาจากคนอื่นแล้วก็บอกคนอื่นได้ในความดีที่เราเป็นแนวหน้าลู่อะไรเมื่อบอกด้วยแล้วก็บอกอยู่ถ้าหลงก็ไม่หลงก็ได้เปลี่ยนเป็นความลู่ชกตัวก็ได้ถ้า ทุ ก, ก็เปลี่ยนความรู้สึกตัวมันจะไม่ทุกข์บอกอยู่อย่างนี้ก็บอกอยู่อย่างนี้ต้นตออยู่ตรงนี้ได้ทำอย่างนี้มันพ้นอย่างนี้ก่อนจริงก่อนทุกมันอยู่ตรงนี้มีสติจภาในกายทุกคนก็มีกายแล้วมีสติจภาในกายไหมหนาทีหนึ่ง ชู่โมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งามีสติบายนกายแช่ไหนเพียงลอยเอาตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้สร้างตรงนี้ได้ทำที่นี้ได้เห็นอลายที่มันเกิดขึ้นกับว่ากับจอยก็ให้มีสติเข้าไปเกี่ยวข้องตรวจสอบทักท้วงโต้อตอบ ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนให้มันดีซะในข่าวเดียวกันอย่าปล่อยมันทิ้งจึงไม่ดีเกิดขึ้นกับกากับใจกับลูกกับน้ําให้ทําอย่างนี้จึงจะคุ้มค่าที่เราเป็นแนวหน้าเพื่อบุกเบิกจะได้ประสบการณ์ได้บทเรียนจะได้มีคุณความดีเกิดขึ้นที่รูปที่น้ําที่ขาวที่ใจนี้จะได้ใช้ชีวิต เพื่อคนอื่นมนก็เป็นไปเองแต่ก่อนมันใจไม่ค่อยดีบัดนี้ใจมันดีเมื่อใจมันดีก็เป็นทุนเป็นเนื้อหนาบุญได้สอนตัวเองก็ได้สอนคนอื่นก็ได้ทอมจะเกิดช่วยจชงอเกิก็ได้ตามกำลังของความดีไม่โทษ้อย ไ่โทษถอยเราจึงมีที่ศึกษามีที่เรียนรู้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยกว่ากันเลยมีกามีใจมีรูปมีนามจิงไม่ดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจที่รูปที่นามนี่ก็เหมือนเหมือนกันเราก็รู้ว่า มีผู้ทำได้มีผู้ปฏิบัติได้มีพระพุทธเจา้ามีพระอรหันต์สาวกมีอุบาสกบาชิกามีประวัติทำได้อยู่ <c oughs> เห็นล่องเห็นร อ, อยอยู่จะมาถึงยุค ขุชากรอาจารย์บาปหลุงปูชนียบุคคลอมสมัยมาจนเถกวันนี้แม่เจอในพ่อในแม่เราก็มีอ๋อกาพประทัที่มีอยู่ในคุณพ่อคุณแม่อ๋อครบรัธรรมที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนมีอยู่ โอ้มีทรรมอยู่ในหัวใจของชีวิตคนโลกก็จึงมาอยู่ได้ทุกวันนี้ราะมีคนดีล่องรอยของคนดีความดีของคนมีอยู่ไม่เสื่อมไม่เสียไปไหนมีให้เราได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ได้กินข้าวได้ที่อยู่อาศัยได้เครื่องนุ่งหม่มและอยากรักษาโลกก็เพราะความดีของคน ที่ household ได้อาศัยอยู่นี่สรีข้ากับสนับสนุนเราให้ปฏิบัติดีนี่นแล้วก็มีโอกาสปฏิบัติดีนี่มีวัฒธรรมเข้าไว้ส่งเสริมช่วยเหลือมีประเพณีเข้าไปสนับสนุนเราด้ความสะดวกจะทําความดีอย่ามีกันอ้างอะไรอ้างโน่นอ้างนี่เป็นส่วนตัว ส่วนรวมของโลกช่วยเราแล้วดินฟ้าอากาศก็ช่วยเราแล้วป่าไม้อากาศช่วยเราแล้วน้ําก็ช่วยเราแล้วเมื่อวันพาก่อนไปพูดที่บ้านภูขอทองถ้าคนเกิดอยู่ที่นี่ถ้าเกิดอยู่ที่นี่ไม่หนีไปไหน จะต้องกินน้มวัดภูขาทองนะอายุจะยืนยาวที่สุดตั้งยี่สิบปีสำรองไว้เลยเกิดอยู่ที่นี่ไม่หนีไปไหนกินน้ำวัดภูขาทองนะวัดภูเขาทองน้ำเดีน้าแร่น้ำเดี ย, ดยก็ให้บักก็อยากให้พวกเราเอาน้าวัดภูเขาทองมากินบ้าง ่อไปจะมีรถถังหน้าไปวิ่งเอาทางไปจอดไว้เวนเขาไปทำ้านทําที่บนขลังเขาวานไปดูแล้วไปถางหน่อยๆแล้วนะโอ้ไม่มีแรงทำลานทําที่ตรง น, นั้นมีปาม่าไม้พวกใหม่กำลังนดนะ้ำเห็ดละงโงกเย่องหลายดอกเก็บมาได้คน ชาวบ้านไม่รู้คนมาจากไหนมาเจ็บกูได้ปตกิก้าเห็ดละงกเหลืองลังข้างล่างเห็ดละงูขาวข้างบนเห็ดละงกเขียวงแต่เป็นลานทําที่นั่นจะสวยดีอารถบรรทุกน้ำจากวัดภูเขาทองมาจอดที่นั่นวนละรถปล่อยลงมาตามท่อได้กินน้ำวัดพุกขาทองอากาศที่วัดป่าสุโกโต ขอโฆษณาสักหน่อยสมัยผัวยอยู่ป่กคืน้นหัดหายใจเลือกที่อยู่จะไปอยู่ไหนน้อจะมาสุโขทต ก, ก็มาไม่ได้มีคนเสนอหลายที่ที่วัดล่างที่บ้านบ้างมีคนจะมารับฝาย พักที่นอนที่นี่เพื่อให้ชีโมเจ็ดวันให้ชีโมข้างหนึ่งตอนไปพักให้ชีโมเนี่ยอ้สุดยอดจริงๆหัดทุกอย่างหัด ห, หดายใจหัดใช้กาช้อะไรทุกอย่างเอจะทำไงก็ได้ไปก็ได้ที่ที่บ้านโยม ในบริเวณกว้างขวา ง, วงแล้วก็มีป่าต้นไม้มีสระน้ำมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ขอบขอบจากไอเลือกที่นั่นไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นอนนอนบวกขออากาศจากวัดป่าสุกตัวมาช่วยด้วยคิดเล่นๆคนเดียวโอมาแล้ว อากาศจากสุกโตวิ่งมาแล้วมาถึงชายพรมแล้วมาถึงจตุรัสแล้วมาถึงหนองโบโคกแล้วมาถึงด่านคนทุนแล้วมาถึงสีเขียวแล้วมาถึงปากช่องแล้วมาถึงสละบุรีแล้วมาถึงอยุธยาแล้วมาถึงหลังเสร็แล้วโอ้เข้ามาถึงเราแล้วอากาศวัป่าตรงมาช่วยหายใจหายใจเลยได้อากาศวัดป่าสุขโตไปช่วย นี่ก็ทํำเล่นๆไปก็สนุกดีชีวิตสร้างสารรค์ต <c oughs> อนนั้นเราก็รือว่าเลือกได้นะชีวิตของเราเนี่ยเลือกได้ในกายในใจเลือกได้ให้เป็นพุทธจะเลือกเอาความเป็นพิษเป็นภัยเป็นมานเป็นประเดเป็นสัตว์เป็นฉาน มันพัฒนาได้อย่าไปออนแอเลือกความเป็นพุทธะได้มาไล่เป็นพุทธะได้พุทธะเกิดจากความไม่ดีตรองงานข้ามความหลงความไม่หลงเริ่มไปจากตรงนี้ความทุกข์ความไม่ทุกข์เริ่มพุทธะที่ตรงนี้ สร่างพุทธา้ได้ตื่นขึ้นมาบรรทุกยิ่งตื่นริงมันตื่นทุกเนี่ยจึงได้เป็นพุทธเจ้าตาจะว่ากับปาดทุเราจะว่าพุทธโถถูกใจมันปาดทุกตื่นโถอะเถโะเถอถอยู่กับความหลงมานานอยู่กับความโกรธมานานไม่รู้จักรู้มันไ้เลว ออแต่นี้ต่อไปว่าทุกเกิดจากกาจากใจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วอโทษอดโทษมันจะตื่นขึ้นมาอย่างนี้กาที่เปลี่ยนหลงเป็นลูปมันก็มีศีลอยู่ที่นั่นมีการทำบุญละบาปที่เ่นั้นแล้วเราทำได้ทุกชีวิต โดยเพราะปฏิบัติมันใกล้ๆ ล, ลงสนามเล่นเข้าไปเลยเล่นเรื่องนี้ไปเลยเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องถูกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลามันจแสดงออกมาจากกายจากใจปล่อยในปลาอยนอกปล่อยในคือเรื่องกายเรื่องใจปล่อยนอกก็คือโนอกกายนอกใจมีสติรู้ได้ทั้งนั้น มาทางภายนอกก็รู้ได้อย่างพูดเมว่วานนี้ยิ่งมาทางภายนอกนอกรูปแบบยิง่งยิ่งดีใหญ่ยงิงเงถ้าเก่งนอกรูปแบบในแบบก็เก่งเกงนอกรูปแบบในแบบก็เก่งมาสร้างจังหวะเรียนจงกรม ก, ก็เก่งมันได้สมมาจากนอกรูปแบบ กานชชีวิตที่มันผ่านอะไรต่างๆม า, า, า, ากมายวันหนึ่งวันหนึ่งอล้วที่ทำให้เราได้ศึกษากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละสิ่งแล้วอย่างมากหลายได้รู้ได้บทเรียนมาเก็บคะแนนมาเก็บข้อมูลมาสะสมคะแนนมาเมื่อมานั่งสร้างจังหวะเมื่อเดินจงกรม ก็ใสจสิงที่นํามาช่วยไ่ใช่เหมาทุ่มเทตอนเดินจงกลมตอนนัองช้างจังบาะตอนนี้มันเฉพาะตัวเฉยเฉยมันเฉพาะเฉพาะตรงหน้าตรงหน้าแต่นอกที่ไม่ตรงหน้ามาข้างหลังข้างข้างที่มารู้จักลูกตายมามาลูกส้มลูกตายมันมา เหมือนเล่นกีฬาเล่นตะโ ก, ก้ลูกตายมาแก้ได้แต่ลูกตรงตรงมามันแก้ลูกตรงได้มันมันก็ไม่มีาศาสตร์มีศิลอะไรแต่ลูกตายมาแก้ขึ้นได้ตื่นขึ้นมาได้อ่นเลยว่านักกีฬาแท้ๆคนขบับรถคนขบับรถวลาเกิด จะเกิดวัทธเหตุลดสวนทางป้องกันได้แก้ได้ตัดสินใจได้ไม่ชนปลอดภัยนะห่าขับรถเป็นตรงนั้นประสบการณ์บทเรียนตรงนั้นไม่ใช่ขับรถจับพวงมาลอยใหรถปิ้งไปจะนี่ไม่ใช่ทางสีแยกข่าแยกไฟแดงไฟเขียวร้จักระมัด ร, ระวัง ระวังตัวเราละวงตัวเขาจะเราจะไปชนเขาเกมาจะมาชนเราระวังดีๆอย่าประมาทอย่าง่วงนอนถ้าง่วงก็จุดไม่ประมาทแต่น้อยง่วงนอนหลับพาวงพ่อชนสะพานเกือบตายเนาะเหนะมันประมาทมันลู่อยู่แต่ว่ามันง่วงมันยังขับอนยะู่คนดื้อด้าน ไม่สอนตัวเองไม่ดูตัวเองทำไร ม, มองขวางปลอดภัยไม่เป็นชีวิตของเราก็เหมือนกันหัดใหม่ใหม่ก็ต้องให้มันมีชิงวัลลอมดีๆสักหน่อยถ้าชิงวัลล้อมมาดีก็หัดยากเรื่องเราที่นี่ขอให้สร้างชิวัลลอมให้กันแล้วกัน สิบวัดล้อมที่ดีคือคนเราเป็นมิตรกันที่ให้มากขึ้นให้ให้มากที่สุดก็เป็นมิตรให้มากที่สุดทาอืนอ่นลงลงไปแต่ความเป็นมิตร น, นี่ให้เป็นอันเด็ดแรกของการอยู่ร่วมกันตามระเบียบเป็นนายห้ามโกรธกันห้ามด่ากันห้ามทะเลาะกันทะเลาะกันก็โกรธ ก็ผิดวินัยแล้วภิกษุโกรธคนอื่นด่าคนอื่นต้องอะบาดภิกษุเมื่อเบื่อปหาคนอื่นก็ต้องระบัดจับคำคำปั้นทำท่าจะไต่จะฆ่ากัดหัดกัดฟันหน้าบูญหน้าเบืง่งเช่นกันต้องอะบาดแล้วเป็นบาปแล้วใม่เป็นเนื้อหนาบูนของเจ้ท้าเจ้าโยมแล้ว ความเป็นมิกันก็มาก่อนหมายเล็กหนึ่งนอกจากความเป็นมิตรก็ขึ้นชึ้งกันและกันละเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้สอนตัวเองให้เป็นช่วยตัวเองให้เป็นความเมิตรกับตัวเองนี่สําคัญที่สุดถ้าเราเป็นมิตรกันระยะมิตรกันจริงก็พากันไปสูมักคสุขนได้ชางสังคมเป็นสังฆะสมคีกัน การอยู่ร่วมกันสมัคคีกันให้เกิดสังฆะขึ้นในความปฏิบัติในภาครวมหมอนองเราสร้างพุทธะเกิดขึ้นง่ายๆเพราะสิงเวรโลอมันดีเหมือนเหยี่ยวลูกเหยี่ยวสองตัวตัวหนึ่งตก โลกเกี่ยวประตกในภูโขงเงินโลก ต, ตัวหนึ่งประตกภูโขอทองเกี่ยวสงตัวก็เป็นคนลายสีตัวตกที่ภูโขอทองก็เป็นสีทองตัวตกที่ผูโขงเงินก็เป็นสีเงินไปเพราะสิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมก็สําคัญนอกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเร า, เราก็สร้างสิ่งแวดล้อมกับตัวเองให้ได้ คิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทําแต่เรื่องดีๆอาตัวเองดูแลตัวเองสร้างสิวัตรล่องมาอย่ตัวเองไม่เป็นลายอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นลายนี่สร้างสิวัตลองอย่าไปชอบความชอบความถูกไม่ชอบความผิดความผิดเกิดขึ้นเหไม่พอใจความถูกก็ขึ้นกับพอใจนั่นจริงวัตลกไม่ดี สติเป็นตัวสิ่งวดลรอมที่ดีเห็นข้อผิดข้อถูกเกิดขึ้นไม่เป็นไรทำได้ก็ไม่เป็นไรทำมาได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งวดลอมทางกิจวิญญาณก็มีเหมือนกันแต่สร้างสิ่งวดล้อมทางกิจวิญญาณไม่เป็น ก, งง ก, กนน็งอกงามได้ยากมักผลนิพพานงกงามได้ยากมีความฉลาดมาก บางทีอมความยากกว่าทำไม่ได้ทําไม่ได้ไได น, นั้นจริงวลัลร่ำสร้างสิวัลร่ำไม่เป็นไม่เป็นหลายไว้ก่อนมันมทำไม่ได้วันนี้วันข้าหน้าก็ทําอีกเอาอีกเอาอีกเอาอี ก, ออกไม่เป็นลายเอาอีกไม่เป็นลายเรียนมาอยู่เช่นนั้นอย่าไปคุมการป่ายทำใหม่หัดเตรียมให้เป็นหัดให้ขยัน อย่าหัดให้ขี้เกียจเอาความยากพาให้หยุดเอาความขยันพาให้ทําหรือว่าหัดแปลงไม่เป็นเหมือนหัดว่าหัดควายจ้ว่าควายจ้าถ้าจะใส่ทําส่ทำงานแล้วถ้ามันอยากออกอยากหยุดมันออกจากงานออกประหยุ์ก็จะไปหยุ์ในตอนนอนหัดงานใช่ไหมหยุดในกลางงาน ทั่นั้นรู้จักตัวมันจะได้นืสายที่ดีเวลาไหนก็เป็นปกติเวลาออกจากงานไปก็เปปกติไม่ได้วิ่งไม่แสดงถึงความอยากหยุดหรือมันนอนซะทิ้งงานซะก็ปล่อยมันทิ้งไปแบบมันก็เคยตัวยิตเราก็เหมือนกันเราหัดตัวอย่างไร เ่อกิเลสเกิดกขึ้นก็ไปตามมันก็ห า, มาไม่เป็นกลับมาลูกจากตัวไม่เป็นไรอันนี้ใครก็มีเหมือนกันแล้วก็คนก็ละอันนี้เหมือนกันใไอมองตนมองคนอื่นเอามาเป็นแบบอย่างบ้างความที่เกี่ยวติความเบื่อความเจงความทอดท้าเกิดขึ้นก็อย่าไปให้มันเป็นใหญ่เป็นโตไม่เป็นาร ไม่มีค่าสําหรับกับว่าไม่เป็นไรมันไม่ให้ค่าเราทําเกิดทำขึ้นแล้วอาศัยชีวิตรอมความคิดความพูดหน้าตาที่ยาวมายาดสร้างชีวิตรอมเข้าไปายิ้มในเวลามันยากยิ้มได้เมื่อภัยมีให้เป็นอย่าไปยิ้มแต่เพราะความพอใจความที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็ยิ้มได้ หัดจิงเวทลอมอน่นี้ตัวเองให้เป็นอ๋อเอน้องวันนี้เนาะ